ย่อมดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคก บ, บ้านนามนตำบลตองโขบเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครสามพันศาติดตดกันในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกพันาการติดต่อสั่งสอนพกเทพและชาวมนุษย์ท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสม่าเสมอ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 ตัวทำความพิาาธบาตหัวใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบกันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาชให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างเขาโูดมีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอราหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทาลาย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 เมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโตเสียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนาไปคบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนตอนส่วนใดที่เราเหลวก็กาหนดโทษของตนไวและยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเส้นกลราตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้ว่าหลังมีโอกาสขึ้นไปโตกับท่านใหม่แต่ทุกครั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 สำเร็จทำขั้นอนาคามีผลแล้วเวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนคารวาสมีจํานวนน้อยมากที่บำเพ็ญตนจนได้สําเร็จทำขั้นอนาคามีผลแล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นชั้นหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคารวาสปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทําไมจึงไม่ถามพระท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอัตมาทําไมแกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่า